อย่าได้ทำอันตรายแค่การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตของยะสะกุลบุตรเลยดับนั้นยสักุลบุตร ก, ก, ก็เดินไปยังประตูพระนครพวกอมนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยตั้งใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแค่การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตของยะสะกุลบุตรเลยที่นั้น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 ก็ได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคสอบถามพระผู้มีพระภาคถึงย่สักกุลบุตรในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าก็ได้พอดีถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งบางทีท่านนั่งอยู่ณที่นี้จะบึงได้เห็นย่สักกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้ในครั้งนั้นเศรษฐีผู้กราบพอดี ร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าเรานั่งอยู่ณที่นี้จะได้เห็นยาสักุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้จึงถวายบังคมแล้วนั่งลงณนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสอนุบุพิกถาแก่เศรษฐีผู้เป็นข้ารับบดีนั้นเศรษฐีนั้นมีจิต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 ยสสกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นเครือขัดผู้บริโภคกามเหมือนเรือขบดีทั่วไปในครั้งก่อนจึงได้ทรงคลายอิทธาภิสังข์เศรษฐีผู้เป็นบิดาได้เห็นยัสสกุลบุตรนั่งอยู่จึงได้กล่าวขึ้นว่าพ่อยัสะม a n d าของเจ้าเจ้าโศกคร่ำครวญถึงเจ้าจงให้ชีวิต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 ตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตก็พ้นจากอาสวัตทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ับพอดียศากุลบุตรควรแล้วหรือเพื่อจะกลับเป็นเครื่อดบริพโคกามเหมือนอย่างในครั้งก่อนข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าขาการที่จิตของยศา ก, กุลบุตรพ้นจากอาสวัตทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้น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 เมื่อพระผู้มีพระภาคอบรมสั่งสอนสาวกเหล่านั้นอยู่จิตของเธอเหล่านั้นก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ ย, ยึดมั่นหรือมั่นในสมัยนั้นก็มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นแล้วสีเป็นองค์ในโลกคือพระผู้มีพระภาคปัญจับวกิก่ทั้งห้ายาัสะกุฏบุตรและเพื่อนของพระยัสะสี่องค์ในการต่อมา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 เป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของฉริน500คนส่วนฉรินชื่อนตีกัสปะเป็นประธานของฉริน300คนฉรินชื่อขยากัสปะเป็นหัวหน้าของฉรินอีก200คนพระปู่มีพระภาคได้เสด็จไปสู่อาสมของฉรินชื่ออุรุเวลากัสปะได้กล่าวกับ อุรุเวลากรสปะว่ากรสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาไฟสักคืนหนึ่งข้าแต่ท่านสมณะข้าพระเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ในโรงบูชาไฟนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสารพิษมีพิษร้ายกาดอย่าเลยท่านมันจะทำให้ท่านลำบาก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 หรือพบทางแห่งความเป็นอารหันต์ก็ไม่มีในที่นั้นชรินอุรุเวลาเกษะปะได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทและเหล่าบริวารของชรินอุรุเวลาเกษะปะทั้ง500คนนั้นก็ได้พึงขอบรรพชาอุปสมบทด้วยและในการต่อมาเราชรินทั้งสองคือชรินนาทีเกษะปะ